Thank you. อาจร์ัพรท่านผู้มนการโรงเรียนโสศึกษาและสาธุชนทุกท่านวัะป่าสุก โ, โตก็ยินดีต้อนรับนะทุกท่านนะที่ได้มาในวันนี้นะก็หวังว่าคงจะได้นะประโยชน์ทั้งความสงบเย็นในจิตใจและสิ่งที่จะไปเป็นข้อคิดนะเพื่อเกื้อกูลกับการประพฤติปฏิบัติและการดำเนินชีวิต พวกเรานะทุกท่านในที่นี้เนี่ยก็ถือว่าได้มีโอกาสนะทำสิ่งที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวมแม้ว่าจะเป็นลูกจ้างนะพนักงานหรือเป็นพี่เลี้ยงนะแต่ว่าเราก็ได้มีโอกาสนะที่จะได้ช่วยเหลือผู้คนจากอาชีพการงานของเรา ผู้ที่เราดูแลอยู่นะหรือผู้ที่เราช่วยเหลือสนับสนุนอยู่นะเป็นเด็กที่ได้โอกาสนะเขาควรจะได้รับความช่วยเหลือเอื้อเฟื้อนะจากผู้คนในสังคมและคนที่จะมีความหมายต่อชีวิตของเขามากเนะี่ยนอกจากครนะูก็คือพวกเราการทําเช่นนี้เนี่ยนะการที่เราได้ทํางานอย่างนี้เนะี่ยมันถือว่าเป็น งานบุญนะเพราะว่าเป็นงานที่ไม่ใช่แค่ช่วยให้เรามีรายได้ทำมาหากินได้แต่ยังเป็นโอกาสให้เราได้ทำบุญนะช่วยเหลือผู้ที่เขาประสบอุปสรรคนะมีความขาดแคลนเรียกว่าได้โอกาสเมื่อเชื่อกับพวกเราทุกคนการทำบุญเนี่ย มันไม่ใช่ว่าจะต้องไปทำที่วัดนะเราอยู่ที่บ้านเราก็ทำบุญได้เราอยู่ที่ทำงานเราก็ทำบุญไดนะ้ถ้าเราทำด้วยความเอื้อเฟื้อนะทำด้วยความเมตตาอย่ามองว่างานที่เราทำเนี่ยมันเป็นแค่งานอาชีพงานคุณค่าของงานเนี่ยนะเราต้องมองให้เห็นนะถ้าเรามองเห็นชัดมากเท่าไหร่เนี่ยเราจะทำงานเนี่งมีความสุขมากเท่านั้นถ้าเรามองว่าการทางานเนี่ย มันเป็นแค่เครื่องประกอบอาชีพเวลาทำงานก็หวังแต่ว่าจะมีไรายได้เป็นเครื่องตอบแทนถ้าเราคิดแบบนี้เราจะทำงานแบบไม่มีความสุขเราจะทุกข์อยู่30วันเราจะทำงานด้วยความทุกข์อยู่30วันแล้วเราก็มีความสุขเพียงแค่วันเดียวก็คือวันเงินเดือนออกวันที่31เพราะว่านั่นคือจุดหมายของการทำงานของเรา งั้นถ้าเราวางเป้าหมายของงานเพียงแค่นี้เนี่ยการทำงานจะกลายเป็นความทุกข์เนะพราะเราไม่อยากทำงานเราอยากได้เงินนะแล้ววันที่เราได้เงินก็มีแค่วันเดียวเงินเดือนออกนะหรือว่าบางคนก็มีค่าจ้างอาจจะเป็นรายอาทิตย์ก็แล้วแต่เมื่อเราจะทำงานทั้งทีเนี่ยนะไม่ควรหวังแค่เงินเดือนหรือไรายได้ นะแต่ควรปรารถนาความสุขด้วยและความสุขเนี่ยในการทำงานเนี่ยมันมีได้เสมอนะเลยไปคิดว่าความสุขเนี่ยมันจะได้มาจากการที่เรามีเงินไปซื้ออาหารอร่อยนะหรือว่าไปดูหนังฟังเพลงหรือว่าไปเที่ยวนะผับบาร์ไปห้างสรระสินค้า คนเดวนี้เนี่ยคิดว่าความสุขเนี่ยจะมีได้ก็ต้องใช้เงินเพราะเขาคิดว่าความสุขเกิดจากการเสพเกิดจากการมีการได้อันนี้เป็นความเข้าใจที่คับแคบมากแล้วก็เป็นผลเสียต่อตัวเองด้วยพอทําให้ไม่รู้จักเจ็บเกี่ยวความสุขที่จริงแล้วเนี่ยมันมีอยู่รอบตัวเรามันมีอยู่แม้กระทั่งในการทํางาน คนเนี่ยถ้าเราคิดว่าความสุขเกิดจากการมีการได้การเสพมันก็ต้องไปลงเอ่ยด้วยว่าได้เงินแล้วก็คิดแต่ว่าทํำแล้วจะได้เงินถ้าอันไหนทําแล้วไม่ได้เงินก็ไม่ทําทังที่สิ่งที่ทํานั้นเนี่ยไม่ได้เงินก็จริงแต่อาจจะให้ความสุขกับเรานะงานเนี่ยนะคุณค่าของงานเนี่ยอย่างที่ตามาบอกมันไม่ได้ อยู่ที่การมีเงินเดือนมีรายได้เท่านั้นนะแต่มันอยู่ที่ว่าเราเห็นคุณค่าของงานและใช้งานนั้นเป็นโอกาสที่จะทาให้เราทำประโยชน์ให้กับใครก็ตามอาจจะเป็นคนตกทุกข์ได้ยากหรือว่าคนที่คนที่หรือส่วนรวมก็ได้ถ้าเราตั้งจิตนะว่าเราทำเนี่ยเพื่อส่วนรวมนะ มันจะทำให้เราเนี่ยทำงานอย่างมีความสุขได้ง่ายแม้จะเหนื่อยกายนะแต่ว่าใจมีความสุขลองวางนะลองลองวางเป้าหมายนะหรือว่าลองเห็นคุณค่าของงานนะให้มันมากไปกว่าเงินเดือนอาตมาเคยไปประเทศไต้หวันนะประเทศไต้หวันเนี่ยเขามีมูลนิธิหนึ่งนะ ซึ่งใหญ่โตมากนะคนไทยจำนวนมากรู้จักดีเพราะว่ามีคนไทยเป็นหมื่นละไปดูงานของมูนิธินี้ช่วงมูนิธิชฉือจี้สมาชิกนี่เขามีประมาณถึง1ใน4หรือ1นึ่งในหของประเทศนะคือ4หรือหรล้านคนของไต้หวันไต้หวันก็มีประชากรประมาณล้านคนจะเรียกว่าร่ำรวยก็ได้นะ เ, เรียกว่าธรรมกายนี่เทียมไม่ติดเลย แต่ว่าเงินที่เขาได้มาเนี่ยเขาไม่ได้เอาไปสร้าง <c oughs> เอาไปสร้างอาคารเอาไปสร้างเจดีย์แต่ว่าเอาไปช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากเอาไปทําโรงพยาบาลเอาไปสร้างโรงเรียนแล้วก็ทําสถานีโทรทัศน์คุณธรรมและงานหนึงที่เขามีชื่อมากคือว่างาน สถานีแยกขยะเมื่อ่อมาไป10ปีที่แล้วเนี่ยสถานีแยกขยะเขามีประมาณ 5,000 แห่งทั่วประเทศนะห0ัน 5, แห่งทั่วประเทศป่า น, นี้อาจจะถึงเป็นหมื่นแล้วมั้งเขาเก็บเอาขยะที่คนทิ้งไม่ว่าจะเป็นพลาสติกกระดาษหรือว่าเครื่องอิเล็กทรอนิกส์นะ เพื่อเอามาเอาชิ้นส่วนมามาดูไซเคิลใหม่ฉีกระดาษออกมาบ้างหรือแม่ก็ดึงเอาหัวจุกนะของขวดบรรจุน้ำเอาไปรีไซเคิลเอาไปขายก็มีแล้วก็เอาไรายได้เนี่ยไปทำสนับสนุนลงสถานีโทรทัศน์ตาไอตาไอแปลว่ามหากรุณาซึ่งมีชื่อมากนะ คนทำงานส่วนใหญ่นะเป็นคนแก่จ้างมาหรือเปล่าเปล่าเลยเป็นอาสาสมัครแลหลายคนเนี่ยนะก็เคยเป็นสถาปนิกเคยเป็นผู้จัดการธนาคารเคยเป็นผู้จัดการบริษัทเป็นวิศวกรนะเป็นหมอคงมีแหละแต่ผู้นี้อายุมากแล้วเกษียณอุนนิบาสาสมัครมีคนหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยผมเนี่ยนะเป็นขยะคืนชีพ หมายเขาว่ายัางไงหมายเขาว่าตอนที่เขาไม่มาได้ตอนที่เขากเกษียณแล้วแล้วเขาไม่ได้ทําอะไรเนี่ยอยู่ว่างๆที่บ้านนั่งกินนอนกินใครๆก็หวังนะว่าเออสักวันหนึ่งฉันจ ะ, กะเกษียณแล้วฉันจะได้พักฉันจะได้ออนั่งกินนอนกินสักทีคุณลุงวันนี้แกก็เหมือนกันนะแต่แกอยู่ไปอยู่แกจะเบื่อไม่มีอะไรทําวันวันดูโทรทัศน์นะวันวันนะไปเที่ยวหาของอร่อยๆกิน มันสบายก็จริงนะแต่ไม่มีความสุขเพราะรู้สึกว่าตัวอย่างไร้คุณค่าตัวอย่างไร้คุณค่าพอมันเป็นอาสาสมัครชืวจี้เนี่ยเขารู้สึกว่าเขาตัวเขาเนี่ยเหมือนกับเหมือนมีมีชีวิตชีวาขึ้นมาใหม่เขาเรียกตัวเองว่าผมเนี่ยคือขอยะคืนชีพนะอันนี้มันหมายความว่าอย่างนันหมายความว่าคนเนี่ยเราคนเราเนี่ยไม่ใช่แค่ทํางานเพราะอยากได้เงินนะแม้ไม่ได้เงินก็อยากทําเพราะว่างานเนี่ยมันทําให้ตัวเองรู้สึกมีคุณค่า งานเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ช่วยทําให้เราเนี่ยได้ทําประโยชน์ให้กับส่วนรวมและทำให้เราเสื้อชีวเรามีคุณค่าขึ้นมาเนี่ยสิ่งสําคัญอันนี้เป็นสิ่งสําคัญกว่ากว่ากว่าเงินนะที่เราได้ไม่ว่าจะเป็นเงินค่าเจ้าหรือเงินเดือนก็ตามลองนะวันนึงเนี่ยเกิดเราตกงานขึ้นมาแม้ว่าเราจะยังมีกินมีใช้นะแต่ไม่มีความสุขหรอกเพราะเรายังรู้สึกว่าเรายังไม่ได้ทําประโยชน์ให้กับอ ส่วนรวมนะแต่ว่าพวกเราในที่นี้เนี่ยนะสิ่งที่เราทำเนี่ยนะมันทำให้เราได้ทั้งเงินแล้วก็ได้ทั้งบุญนะเพราะเราได้ช่วยเหลือนะคนพิการและมันยังเป็นโอกาสทำให้เราได้รับความสุขด้วยนะเพราะว่าสิ่งที่เราทำมีประโยชน์เราไม่ได้ไปเราไม่ได้ไปทำธุรกิจนะที่มันเอาเปรียบสังคมหรือว่าก่อมลภาวะนะกับธรรมชาตินะ จะทำอะไรจะทำงานอะไรก็แล้วแต่ตราดใดที่เป็นงานสัมมาอาชีวะเนี่ยนะมันมีความสุขได้ทั้งนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินเดือนนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานภาพแต่อยู่ที่ว่าเราวางใจอย่างไรมันเราวางใจอย่างไรสำคัญที่สุดนะไม่ใช่อยู่ที่ว่างเงินไม่ใช่อยู่ที่เงินหรืองานที่เรากาลังทำมีเรื่องเล่าว่าผู้ชายเนี่ยสามคนนะเป็นช่างก่ออิฐเป็นช่างก่ออิฐนะกลังก่ออิฐนะอยู่ใกล้ๆกัน คนนึงทำไปทำไปได้สักพักเนี่ยก็หลบไปสูบบุหรี่และสูบบุหรี่แบบอ้อยอิงช้าๆพอสูบบุหรี่หมดมวลแล้วก็ค่อยเดินนะเดินเหมือนกับว่าจะเดินให้ช้าที่สุดนะมันจะได้ให้เวลาผ่านไปเร็วๆนะแล้วก็พอถึงพอกลับมากาะ อ, อีกก็ก่ออีกช้าๆเชยเนื่อยอีกคนนึงทำดู กระฉับกระเฉงหน่อยแต่หน้าตาไม่ค่อยมีความสุขทําไปสักพักก็ดูนาฬิกาว่ากี่โมงแล้วตอนนั้นมาประมาณสิบบายสี่ในใจก็คงจะรอว่าเมื่อไหร่มันจะเลิกงานเร็วๆอีกคนหนึ่งนะคนที่สามเนี่ยทำกระชับกระเฉงกว่าสองคนที่เหลือเหงือนี่เต็มหลังเลยแต่ว่าเขามีความกระตือรือร้นมากเมื่อไปถามคนแรกว่าเขาทำอะไรเขาตอบกําลังก่ออิด ถามคนที่สองกำลังทำอะไรก็ตอบผมกำลังก่อกำแพงพอถามคนที่สามก็ตอบว่าผมกำลังสร้างวัดครับในบรรดาสามคนเนี่ยถามว่าใครมีความสุขมากที่สุดนะคนที่สามเนี่ยนะเขาตอบด้วยความภาคภูมิใจนะว่าเขากำลังสร้างวัดทั้งสมคนทำงานอย่างเดียวกันแต่สองคนแรกเนี่ยทำงานแบบไม่ค่อยมีความสุขนะทำไปก็ อ้อยอิงไปหรือแม่ก็ทําไปก็ดูเวลาอยากให้มันเลิกงา น, นไวๆพวกเราเป็นอย่างนั้นบ้างหรือเปล่านะถ้าจะทำงานเนี่ยก็ควรจะทํางานอย่างคนที่สมนะคนที่สมแม่เขาเหนื่อยเขาเหนื่อยนะแต่มันเหนื่อยที่ใจแต่ใจนี่มีความสุขเพราะว่าเขาไม่ได้มองว่าเขากำลังก่อไม่ได้มองว่าเขากำลังก่อกาแพงเขาคิดว่าเขากาลังสร้างวัดนะคนไทยเราเนี่ยนะ ไอการสร้างวัดนี่ถือว่าเป็นบุญนะเป็นกุศลเป็นมหากุศลเลยแล้วเขาสุภาสิตจะเขาทามีความหมายนะเขาเรียกว่ามองไปไกลนะมองไม่ได้มองแค่เฉพาะหน้าว่ากําลังก่ออีกก่อกระแม็ก็มองไปไกลว่าสิ่งที่เขาสร้างเนี่ยในที่สุดแล้วมันจะกลายเป็นวัดจะกลายเป็นโบสถ์นะซึ่งนึกถึงแล้วก็รู้สึกเกิดความปิตินะเกิดความยินดีนะสองคนแรกเนี่ยอาจจะคิดเพียงแค่รอนะ มาทำงานเพื่อเอาเงินเดือนหรือเอาค่าจ้างเขาก็เลยทำให้เสร็จแบบรอให้เลิกงานนะแต่คนที่สามเนี่ยเขาไม่สนใจว่าจะเลิกงานกี่โมงนะเพราะเขาทำแล้วมีความสุขยังไม่เสร็จนะงานยังไม่เสร็จนะแต่ว่าเขาก็สุขแล้วเพราะเขามองเห็นว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันจะส่งผลอะไรข้างหน้ามันไม่ความสุขในการทำงานมันมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราทางานอะไร แม่จะเราทแมเราจะทำงานซักผ้านะทำงานกวาดขยะทำสวนนะทำอาหารทำครัวหรือแ่าแต่กวาดพื้นทำความสะอาดอพื้นเนี่ยมันก็เป็นงานที่มีคุณค่าได้เหมือนกันมีเรื่องเล่าว่าเมื่อสัก60ปีก่อนเนี่ยนะสหรัฐอเมริกาตื่นตะลึงมากเพราะว่าพบว่ารัเสเซียเนี่ยเขาสามารถจะผลิตส่ง ยานอวากาศขึ้นไปโครจรรอบโลกได้ส่งดาวเทียมขึ้นไปโครจรรอบโลกนะีชื่อว่าสปุตนิกใครเทียบอายุสักห้าสิบคงจําได้นะว่าอเมริกาว่ารัสเซียเนี่ยนะเป็นประเทศแรกนะที่สามารถจะส่งยานอวากาศไปโครจรรอบโลกได้และส่งดาวเทียมด้วยนะรวมทั้งนักบินอวกาศคนแรกก็เป็นชาวรัสเซียนะกาการินดูริกาการินนะอเมริกาเนี่ย ซึ่งเคยภูมิใจว่าตัวเองเนี่ยเป็นประเทศที่ร่ำหน้าทางเทคโนโลยีมาอีสุดนะกับรู้สึกกับพ่ายแพ้นะรัเสเซียในเรื่องของอวกาศรู้สึกเสียหน้ามากก็เลยตั้งเป้าเป็นวาระของชาติเลยว่าเราจะส่งจรวดไปดวงจันทร์เป็นประเทศแรกในโลกอันะนี้เรียกว่าแก้เรียกว่าแก้มือ แล้วเราจะส่งคนไปเหยียบดวงจันทร์นะเป็นชาติแรกในโลกนะก็ตั้งองค์การนาซาขึ้นมาคนอเมริกันกระตือรือร้นมากเลยนะตั้งให้กาลังใจรัฐบาลมีวันหนึ่งผู้สื่อข่าวเข้าไปที่องค์การนาซาตั้งแต่เช้าเลยก็เห็นคุณป้านคนหนึ่งเนี่ยกำลังถูพื้นนะอายุก็มาแล้วแต่ว่าแกถูพื้นด้วยความใส่ใจด้วยความกระฉับกระเฉงนะ ผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามคุยไปคุยมาคุณป้าก็บอกว่าเนี่ยป้าเนี่ยนะกำลังช่วยให้สิ่งที่ป้าทำเนี่ยนะกำลังช่วยให้อเมริกาหรือประเทศของเราเนี่ยนะสามารถจะส่งมนุษย์นะไปโคจรรอบดวงจันทร์ได้ถูพื้นเนี่ยนะแค่ถูพื้นเนี่ยนะแต่แกภูมิใจเพราะแกะคิดว่าเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะทำให้อเมริกาประสบชัยชนะในการแข่ง ขันด้านอาวกาศกับรัเสเซียนะนะเพราะนั้นเนี่ยที่พวกเราทำงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดนะเป็นทำครัวนะหรือว่าซักที่นอนหรือว่าเป็นพี่เลี้ยงนะแม้เงินเดือนจะน้อยสถานภาพจะต่ำในสายตาคนทั่วไปแต่คอยตระหนักว่าสิ่งที่เราทำนี่มีคุณค่า เพราะว่าเรากำลังช่วยมีส่วนช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ที่เขาเขาลำบากเขาได้โอกาสแล้วใครจะไปรู้เนี่ยคนพิการเนี่ยหรือเด็กที่เราดูแลเนี่ยวันหนึ่งเขาอาจจะประสบความสำเร็จในชีวิตนะอาจจะกลายเป็นคนที่มีผลงานสร้างชื่อเสียงให้ใหกับประเทศชาติก็ได้อย่าไปคิดว่าคน พิการไม่ว่าพิการทางสายตาหรือทางการได้ยินถือ เ, เรียกว่าตาบอดหูหนวกหรือแม้แต่พิการในเรื่องของการขยับขยื่อนเนี่ยเขาจะทําอะไรไม่ได้นะเขาสามารถจะทําอะไรได้มากมายรวมทั้งสามารถจะมีความสุขมากกว่าเราก็ได้มันมีคนชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งนะชื่อโอโตทัเกะแกเกิดมานี่นะ ไม่มีแขนไม่มีขานะแขนหรือขาเนี่ยเป็นแค่ติ่งเท่านั้นแหละแต่ว่าแม่เนี่ยเลี้ยงดูอย่างดีอย่างดีในที่นี้เนี่ยหมายก็ว่าให้ความรักนะไม่ได้รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจว่าทำไมลูกเนี่ยเกิดมาอาภัพอับโชคแบบนี้ไม่รู้สึกเสียหน้าเลยว่าที่ลูกต้องอเป็นคนพิการแต่ก็เลี้ยงลูกมาเนี่ยให้ลูกสามารถพึ่งตัวเองได้แล้วก็มีทัศนคติที่ดีต่อชีวิต มีความภูมิใจในตัวเองนะพอตัวทักเกตโตขึ้นมานี่นะอ๋ลืมบอกว่าไปว่าโอทโอทักเกเนี่ยเขาสามารถจะช่วยตัวเองได้ทุกอย่างเลยกินข้าวเองก็ได้ใส่เสื้อเองก็ได้แม้กระทั่งเล่นบาสเกตบอลเขาก็ยังเล่นได้เลยนะถ้าแปลกนะทั้งที่ไม่มีแขนไม่มีขาโอทอทักเกตเนี่ยเมื่อโตขึ้นก็ไปเป็นครูแล้วเขาเขียนหนังสือเล่มนึงขึ้นมาชื่อว่าไม่ครบห้า ไม่ครบห้าแปลว่าอะไรหมายคว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยครบห้าคือมีหัวมีแขนมีขานี่เขาไม่มีแขนไม่มีขาหายไปสี่เลยเขียนชื่อเสือไม่ครบห้าเขาไม่อายที่จะบอกว่าตัวเองเป็นคนพิ ก, การแต่คนเด็กการเขาก็พูดให้เราอิจฉาเนี่บอกว่าผมเกิดมาพิ ก, การแต่เป็นสุขและสนุกทุกวันนะเกิดมาพิการนะแต่เป็นสุขและสนุกทุกวันนะเราทาอย่างนั้นได้ไหมนะเราเนี่ยนะไม่พิ ก, การ แต่บางทีเราทางานไม่มีแต่เราอยู่ยังไม่มีความสุขเพราะเรารู้สึกด้อยนะว่าเรานะมีเงินเดือนน้อยนะเราต้องเช่าบ้านเราทำงานต่ําต้อยแต่คนพิการเนี่ยหลายคนเนี่ยเขารู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองนะเพราะเขารู้จักมองนะเพราะเขารู้จักมองเนี่ยนะเขาก็สามารถที่จะทำสิ่งที่คนธรรมดาทำได้ยากโอโตทเกเนี่ยนะ ก็ูดด้เ็มปอวาเขามีความสุขและสนุกทุกวันเขาไม่รู้สึกด้อยนะกับการที่ไม่มีแขนไม่มีขานะมันอยู่ที่ว่าเราจะมองยังไงถ้ามองเป็นก็เห็นสุขมีผู้หญิงคนหนึ่งนะอายุ30อายุน้อยกว่า ต, ตัะทะเกะเป็นชาวไต้หวันชื่อหวังเหมยหลินหวังเหมยหลินเนี่ยเกิดมาเนี่ยนะสมองพิการนะคนสมัยนี้ถ้าเกิดลูกเนี่ยนะ อยู่ในท้องแล้วหมอบอกว่าสมองพิการบางทีอาจจะตัดสินใจนะทำแท้งก็ได้ไม่ให้ลูกออกมาเพราะกลัวว่าลูกจะลำบากหรือกลัวว่าลูกจะทำให้เป็นทำให้ตัวเป็นภาระเพราะว่าไม่มีปัญญาที่จะเลี้ยงดูลูกที่พิการได้ก็เลยแก้ปัญหา ง, ง, าง่ายๆนะก็คือว่ายุติการตั้งครรภ์หรือที่ภาษาการแพทยยุติการตั้งครรภ์คือทาแท้งนั่นแหละจะ่ บองไมลีเนี่ยแม่เขาให้เกิดมานะแล้วแม่เขาก็ดูแลนะด้วยความรักเอาใจใส่แต่ไม่ได้ดูแลเพื่อให้ดูแลแบบประคระอบประงมแต่ช่วยทําให้พึ่งตัวเองได้บื้องมเมล์ีเนี่ยสามารถเรียนจบปริญญาเอกปริญญาเอกนะมหาวิทยาลัยที่มีชื่อของอเมริกา UCLA มหาวิทยาลายัยแห่งแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตลอสแองเจลิสนะชื่อย่อ UCLA วังมเมรินเนี่ยพิการเนี่ยลืมบอกว่าพิการทางสมองเนี่ยมันมันส่งผลอย่างไรมันส่งผลทำให้เธอเนี่ยพูดไม่ได้ได้แต่เขียนแล้วก็เดินก็ไม่ได้ต้องนั่งรถแต่แม่พิการนี่นะก็สามารถจะเรียนจบปริญญาเอกอัตมาไม่พิการแต่ว่าเรียนจบแค่ปริญญาตรีนะไม่มีปัญญาเรียนจบปริญญาเอกนะวังมเมรินทาได้ทาได้ยังไงนะเพราะเธอ รู้จักมองมองเป็นเธอเคยไปพูดที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งเนะเพราะว่าเธอเนี่ยสามารถจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆได้เพราะ้าขนาดคนพิการนี่เขายังสามารถจะเรียนจนจบปริญญาเองเธอบรรยายไม่ได้นะเธอเขียนเอาใส่เขียนใส่กระดานพอเธอบรรยายจบก็มีนักศึกษานักเรียนคนหนึ่งยกมือถามว่า คุณเกิดมาพิการเนี่ยหรือคุณพิการแต่กำเนิดเนี่ยคุณมองตัวเองอย่างไรนะนะคุณรู้สึกเสียใจบ้างไหมพูดถามแบบนี้เนี่ยถามตรงมากนะห้องประชุมก็เงียบกลิบเลยเพราะว่าปกติเขาไม่ถามคนพิการตรงๆแบบนี้ต่หวังเมเลนีนี่เธอไม่้ไม่ไม่หวั่นไหวเลยเลยเธอก็ยิม้มแล้วเธอก็หันกลับไปเขียนคำตอบฉันมองตัวฉันอย่างไรหนึ่งฉันเป็นคนน่ารักนะ 2. พ่อแม่รักฉันสพระเจ้าก็รักฉันเธอเป็นคริสสฉันมีแมวที่น่ารักห้าฉันมีเรียวขาที่สวยงาม 6. ฉันวาดรูปและเขียนหนังสือได้แต่ทั้งหมดเนี่ยมันสรุปด้วยข้อสุดท้ายที่เป็นเคล็ดลับของความสำเร็จและความสุขสำเร็จในการเรียนและความสุขในชีวิตเธอว่าฉันมองสิ่งที่ฉันมีฉันไม่มองสิ่งที่ฉันไม่มี คุณเข้าใจไหมสิ่งที่เธอไม่มีคืออะไรถึงเธอไม่มีคือความสามารถในการพูดความสามารถในการเคลื่อนไหวได้เธอไม่มองเธอไม่สนใจเธอมองแต่สิ่งที่เธอมีเธอมีอะไรบ้างนะก็อย่างที่พูดมาและที่เธอไม่ได้พูด ก, ก, ก, ก็คือเธอมีสติปัญญาเหมือนคนอื่นเขาแล้วเธอก็ใช้สติปัญญาเนี่ยนะด้วยความภาคเพียรจนเรียนจบนะประิน ญ, ญาเอกคนส่วนใหญ่เนี่ยมองไม่เป็นมองแต่สิ่งที่ไม่มี เด็กจำนวนมากเนี่ยมีของเล่นเต็มบ้านนะแต่ว่ายังร้องหอม่มร้องไหเพราะอยากได้ Iphone อยากได้ i p a d อยากได้กีตาร์อยากได้นอทบุ๊กทุกเพราะมองเห็นแต่สิ่งที่ยังไม่มีคือสิ่งที่ยังไม่ได้มาคุณยายก็เหมือนกันนะมีเยอะแยะแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเป็นโชคที่เรามีเรามีตามองเห็นเรามีหูที่ยังฟังได้เรามีปากที่ยังสื่อสารได้คือไม่โงก ไม่หูหนูตาบอดไม่เป็นใบ้เราไม่เจ็บไม่ป่วยเรามปสุขภาพดีเราจะมีพ่อมีแม่เรายังสามารถจะเดินเหอไปไหนมาไหนได้เราเรากินอิ่มนอนอุนเรามีเงินเดือนมีเงินใช้แม้จะน้อยหลายคนไม่มองตรงนี้ไม่มองแต่สิ่งที่ยังไม่มีไม่มีอะไรไม่มีรถไม่มีบ้านหรูบางคนก็บอกยังไม่มีแฟนคนเราเนี่ยถ้ามองไม่เป็นเนี่ยมันทุกข์นะ ทุกพ่อมองเห็นแต่สิ่งที่ไม่มีหรือมองเห็นแต่สิ่งที่ไม่ดีวัยรุ่นหลายคนเนี่ยนะบ้านเขาก็ดีมีฐานะพ่อแม่ก็ให้ความรักครอบครัวก็อบอุ่นสุขภาพก็ดีการเรียนก็ดีนะมีโน้ตบุ๊กมี iPad มีสมาร์ทโฟนใช้แต่ก็ไม่มีความสุขกรุ่มอกกุ่มใจเพียงเพราะว่า มีสิวไม่กินไม่นบนใบหน้าเห็นแต่สิวอ่ะเห็นแต่สิ่งที่ไม่ดีซึ่งมันก็แค่จิ๊บจอยนะสิวนี่ไม่นาก็หายไปเห็นแต่สิวไอ้อย่างอื่นดีๆไม่ที่มีใ่มองไม่เห็นนะเราเป็นอย่างนั้นบ้างหรือเปล่านะมองเห็นแต่สิ่งที่ไม่ดีคนเรามองไม่เป็นเนี่ยมันทุกข์นะพวกเรารู้จักซิโก้ไหซิโก้เนี่ย ติโกนี่ก็เพิ่งต่อสัญญานะเป็นโค้ชทีมชาติก่อนที่เขาเป็นโค้ชทีมชาตินี่ก็เป็นนักกีฬาระดับซูเปอร์สตาร์ยิงประตูมากเป็นอันดับต้นๆ น, น, นะในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลไทยเขาเป็นกัปตันทีมชาติแล้วตอนหลังก็ไปไปแข่งฟุตบอลอาชีพที่เวียดนามมาเลสิงคโปร์ สโมสรที่เขาสังกัดนี่ได้ได้แชมป์ทั้งนั้นเลยฝรั่งก็เลยสนใจอังกฤษสโมสร อ, อังกฤษด i v i ชั่นหนึ่งสมัยนักเคืเกอกดีเวชั่นหนึ่งยังไม่มีพรีเมียร์ลีกก็มาซื้อตัวซิโก้ไปโอ้โหเป็นข่าวใหญ่เมื่อ 16, 17ปีก่อนและนี่ก็เป็นความฝันของซิโกนะ้จะได้ไปแข่งบอลจะได้ไปแข่งสวมเสื้อสโมสร อ, อังกฤษด i v i ชั่นหนึ่ง เป็นข่าวคืบคลองอยู่เมืองในเมืองไทยอยู่หลายอยู่หลายวันแล้วพอถึงฤดูการแข่งขันปรากฏว่าจนแล้วจนรอดซิกโก้ก็ไม่เคยได้ลงสนามเลยเป็นตัวสำรองตลอดจนจบฤดูการเขาเสียใจมากเขาผิดหวังมากแล้วเขารู้สึกว่าการที่เขาไปอังกฤษมันเสียเวลาเปล่าพอเสียรฤดูการเขาก็ขอกลับเมืองไทยเลิกนะเลิกแล้วเลิกไปเล่นบอลอาชีพที่อังกฤษแล้วเขาก็ ไม่อยากพูดถึงเหตุการณ์นั้นเป็นเวลานา น, านหลายปีแต่หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อมีคนมาถามเขาเรื่องนี้เขายิ้มได้นะเขายิ้มได้แต่ก่อนยิ้มไม่ออกแต่ตอนนี้ยิ้มได้เขาบอกไม่มีอะไรเลยพี่นะผมเพียงแต่ผมมองไม่ออกผมมองไม่เห็นคิดมากไปเป็นยังไงมองไม่ออกมองไม่เห็นจะบอกแปลงกีจข้างนั้นมีแต่ได้กับได้หนึ่งได้บ้าน 2ได้รถสได้ภาษาสีได้พัฒนาร่างกาย5ได้พบปะคนหลากหลาย6ได้ความคิดใหม่ๆ7ได้เดินทางท่องเที่ยวนะได้สัมผัสหลีกที่มีศสียงสันที่สุดในโลกเสียงเดียวคือไม่ได้เล่นเสเดีคือไม่ได้เล่นเขาได้ต้อง8อย่างนะแต่ตอนนั้นเขามองไม่เห็น เขาเห็นแต่สิ่งที่เขาไม่ได้ก็คือเล่นไม่ได้เล่นบอลแต่พอเขามองกลับมามองหมาโอ้ฉันได้ต้องเยอะแยะเนี่ยเขายิ้มเลยนะเขาซื้อว่าการแปลอังกฤษนั้นมีคุณค่าแลเวลาเรามีความทุกเนี่ยไม่ว่าจะทุกในชีวิตหรือในทุกการงานลองถามว่ามันจริงหรือนะเป็นเพราะเรามองไม่ออกมองไม่เห็นใช่หรือเปล่าเรามองเห็นแต่สิ่งที่ไม่มีหรือลองเห็นเรามองเห็นแต่สิ่งที่ไม่ดี แต่ว่าสิ่งที่เรามีเยอะแยะมองไม่เห็นสิ่งดีๆที่เรามีมากมายมองไม่เห็นหรือเปล่านะางั้นถ้าเรามองเป็นนะแม้เงินเดือนจะน้อยนะแม้งานจะดูเหมือนอต่ำต้อยเนี่ยแต่เราสามารถจะมีความสุขกับการทำงานได้มีหมอคนนึงนะหลังจากที่ไปรับราชการอยู่พักใหญ่ก็กลับมาช่วยงานที่บ้าน คุณพ่อเนี่ยนะเป็นนักธุรกิจใหญ่นะบริษัทเนี่ยก็มีเป็นอาคารเนี่ยหลายชั้นแล้วก็มีที่จอดรถมีที่สรับจอดรถเนี่ยกว้างใหญ่พอสมควรเพราะว่ารถเข้ารถออกวันหนึ่งเนี่ยเป็นร้อยรอยคันวันหนึ่งคุณหมอเท่านนี้ก็สังเกตนะพนักงานคุมรถเข้าออกคนนี้เนี่ยเห็นมาตั้งแต่เล็กแล้วเห็นมาตั้งแต่ตัวยังเด็กนะ จกนกระทั่งทํางานรับราชการแล้วจกนกรทั่ง อ, ออกมาช่วยงานพ่อเนี่ยนะก็ยังเห็นลุงคนนีนน้ทำงานอยู่และที่น่าสนใจคือแกทํางานเนี่ยคุมรถเข้าออกเนี่ยแกทํางานกระฉับกระเฉงมากทั้งที่อายุก็หกสิบกว่าแล้วก็วสงสัยนะพวกเราเคยสงสัยมากเวลาเจอคนอย่างเงี้ยทําไมเป็นพนักงานผู้น้อยเนี่ยแต่ว่าทํางานนี่กระตือรือร้อนกระฉับกระเฉง ก็เลยวันนี้ก็เลยไปคุยกับลุงอ่ะลุงทางานตรงเนี้ยตรงรถเข้าออกเนี่ยนานเท่าไหร่แล้วสิกว่าปีแล้วคุณหมอโอ้โหสิกว่าปีแล้วเนี่ยเบื่อไหมเนี่ยลุงไม่เบื่อหรอกจะเบื่อได้ยังไงนะนทาไมอ่ะก็คุณหมอคิดดูซินะผมอยู่ตรงนี้เนี่ยนะเวลารถเข้ามาเนี่ยถ้าผมบอกให้หยุดเนี่ยก็ต้องหยุดถ้าผมกวากมือเนี่ยถึงจะเข้ามาได้ แม้จะเป็นรถของคุณพ่อรถของผู้จัด ก, การรถของเจ้าของเนี่ยผมบอกให้อยู่ก็ต้องหยุดนะเนี่ยต้องเชื่อฟังผมทุกคนเลยแกรู้สึกภูมิใจเหตุผลแกง่ายๆเนี่ยคือว่าเวลาแกทํางานเนี่ยนะแกะเป็นใหญ่นะถ้าสาั่งให้รถหยุดก็ต้องหยุดสั่งให้รถเข้ามาเข้ามาถึงจะเข้ามาได้แกภูมิใจว่าสิ่งที่แกทำเนี่ยนะมีความสําคัญแล้วแกก็เลยรู้สึกว่างานเนี่ยมีคุณค่า อยากจะบอกนะว่าคุณค่าของงานเนี่ยนะงานงานที่เราทำจะมีคุณค่าแค่ไหนเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราให้คุณค่ากับงานนั้นอย่างไรมันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่างานนั้นเนี่ยเงินเดือนมากไม่ได้ขึ้นอยู่ว่างานนั้นเนี่ยนะมีรถประจำตาแหน่งหรือเปล่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับ c C ส, สูง C ต่าไม่สำคัญคนที่เป็นผู้จัด ก, การ งเงินเดือนเป็นเหยียบแสนแต่ถ้าเขารู้สึกว่างานนั้นไม่มีคุณค่าแต่เาถ้าเขาไม่ให้คุณค่ากับงานนั้นเนี่ยงานนั้นก็ไม่ให้คุณค่ากับเขางานจะมีคุณค่าหรือหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่ว่าเราให้คุณค่ากับงานนั้นหรือเปล่าเท่าไรคุณค่ากับงานนั้นงานก็จะให้คุณค่ากับเราที่เราสูว่าเราไม่มีคุณค่าไม่ใช่เพราะเป็นงานที่เราทานะ บางคนสูตว่าตัวไม่มีคุณค่าเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่างานที่เราทําไม่มีคุณค่าแต่เป็นเพราะเราไม่ให้คุณค่ากับงานนั้นเราไม่ให้คุณค่ากับงานนั้นถ้า เ, เราให้คุณค่ากับงานนั้นเมือ่อไหร่เนี่ยเราทํางานนั้เมื่อไหร่เราก็จะสูงมีคุณค่าคนไปเข้าใจผิดนะว่านะว่าไอ ง, งานที่ตัวทํำไม่มีคุณค่าเพราะเงินเดือนน้อยนะตำแหน่งต่ําไม่ใช่เลยเป็นเพราะ มุมมองหรือสายตาหรือทัศนคติของเราต่างหากเราไม่ให้คุณค่ากับงานนั่นเองงานก็เลยไม่ให้คุณค่ากับเราเปลี่ยนใหม่นะลองให้คุณค่ากับงานขอบคุณงานนะที่ทำให้เราเนี่ยไม่เพียงแต่ว่ากินอิ่มนอนอุ่นมีรายได้ไปช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวแต่ยังเป็นโอกาสทำให้เราได้ช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากช่วยเหลือสังคมประเทศชาติ เราก็รู้สึกขอบคุณว่า เ, ออเราได้ทําสิ่งที่มีคุณค่ามีความหมายนะถ้าเรารักงานเราขอบคุณที่ได้มีงานทําหรือขอบคุณที่ได้ทํางานชิ้นนี้เราจะรู้สึกมีคุณค่าขึ้นมาแล้วเราจะทํางานอย่มีความสุขนะเวลาทํางานช่วยเหลือเด็กที่พิการเนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่อยากจะเน้นคือว่า อย่าไปมองว่าเขาเป็นภาระนะอันนี้คือคือปัญหาอย่างหนึ่งมันอยู่ที่มุมมองของเราด้วยถ้าเรามองเขาเป็นภาระเราจะทํางานยังไม่มีความสุขอย่าไปมองเขาเป็นภาระนะมองว่าเขาเป็นโอกาสเขาเป็นโอกาสนะและเขามีศักยภาพเราเพียงแต่ช่วยทำให้ศักยภาพความสามารถของเขาเนี่ยมันได้เติบโตเ บ, บ่งบานนะเด็กพิการเนี่ยอย่าไปคิดว่าเาเป็นคนด้อยด้อยศักดิ์ศรีนะ เพราะว่าเขาสามารถจะทำสิ่งดีๆหรือว่ามีความสามารถอย่างที่เราคาดไม่ถึงก็ได้ตัวอย่างที่ตมาพูดมาเนี่ยนะเป็นสองตัวอย่างเล็กๆ เ, เออตัวทาเกะซึ่งไม่มีแขนไม่มีขาแต่สามารถจะเขียนหนังสือสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้คนมากมายเพราะว่าพิการก็มีความสุขได้วางเมลิงเนี่ยในพิการนะทางสมองแต่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนได้ มีความสุขได้มันมีคนหนึ่งฟันผรัหลังนะชื่อนิกบูจีสิกนะคนที่ก็เหมือนกับโอตโตะเกะนะเกือบจะเหมือนกนะ็คือแขนก็ไม่ค่อยมีขาก็ไม่ค่อยมีแต่ว่าเขาสามารถจะยิ้มแย้มแจ่มใสนะเขาสามารถจะขับรถเองได้เขาสามารถจะช่วยตัวเองได้แล้วก็สามารถจะปลุกกำลังใจให้เกิดขึ้นนะกับคนที่มีอยู่กับคนที่อยู่ใกล้ชิดเขาหรือได้ฟังเรื่องราวของเขา เ้าจะไปรู้นะเด็กพิการเนี่ยที่เราดูแลเนี่ยนะถ้าเราให้ความรักเขาเราใส่ใจเขาเราไม่มองเขาเป็นภาระเราไม่คิดจะดูถูกเยียดยามเขานะเราเป็นเพื่อนเขาเป็นกัลยาณมิของเขาช่วยเหลือเขาให้กําลังใจเขาทำให้เขาภูมิใจในตัวเองเขาสามารถจะกลายเป็นคนที่ทำสิ่งประเสริฐนะได้มากมายมันมีคนที่ ตาบอดแต่ว่าสามารถจะเล่นดนตรีได้เพราะคนที่หูหนวกแต่สามารถที่จะแต่งเพลงได้ยิ่งใหญ่มากอย่างบิทอฟเฟนนะคนตาบอดบางคนเนี่ยสามารถที่จะเดินขึ้นภูเขาหิมาลัยจนถึงยอดเขาเอเวอเรสต์ได้เขาเอเวอเรสต์ที่มันสูง8กิโลนะเกือบ9กิโลเมตรคนธรรมดาแบบพวกเราเนี่ยตระมาเชื่อว่าถ้าไม่ฝึกนะยากหรือฝึกแล้วก็ยังยาก ให้แค่ขึ้นดอยหลวงนะแค่ขึ้นดอยหลวงโดยประเภทว่าแบกของเองเนี่ยหลายคนก็เยอะก็แท้ท อ, ท, อ, ท, อท้อแท้แล้วดอยหลวงเชียงใหม่นะภูก็ดึงก็ได้นะสูงแค่2 0 0พันเมตรนะเรายังไม่ไหวหรือบางทีแล้วก็ท้อแต่คนตาบอดบางคนเนี่ยเขาสามารถที่จะปีนขึ้นไปถึงยอดขาเอเวอเรสต์ได้ทางัที่ถ้าเขาพลาดเนี่ยก็ก็ตกมาตกเหวหรือว่าโดนหิมะทับตาย เขาใช้เวลาปีเนี่ยเป็นเวลาสองสาเดือนก่อนจะไปถึงยอดเขาเขาสามารถจะทำในสิ่งที่เราคนที่มีอายุย่อครบ62ทำไม่ได้ไม่ใช่เพราะเราไม่มีความสามารถแต่เป็นเพราะใจของเราเรามองไม่เป็นเราวางใจไม่ถูกนะหรือว่าเราไม่ได้คิดจะพัฒนาศักยภาพของเราในด้านนี้มันก็ทาไม่ได้นะอย่ามอก็เป็นภาระนะ ว่าถเป็นภาระาเนี่ยเราจะเบื่อนายเห็นหน้าเขาเราก็ไม่อยากจะดูแลเขาเท่าไหร่แต่ถ้าเรามองว่าเขาเป็นเหมือนอ่าจะใช้คาว่าอะไรไม่อยากใช้คาว่าทรัพยากรมนุษย์นะเขาเป็นเาเป็นมนุษย์ที่มีศักยภาพนะที่เราสามารถจะช่วยทำให้เขาเนี่ยเป็นคนที่สมบูรณ์หรือเป็นคนที่มีความสุขได้นะจะทำอย่างไอย่างนั้นได้เราก็ต้องมีความสุขนะ กับตัวเราถ้าเราเนี่ยมีอาการสายมีอายยังครบส2เรายังไม่มีความสุขเราทํางานด้วยความเบื่อหน่ายทํางานอย่างสังกระตายเพียงพรอะเงินเดือนน้อยตําแหน่งต่ำเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเร า, เ, าเราแย่แล้วอย่างนี้เรียกว่าซ้ําเติมตัวเองได้ด้วยนะคนเราเนี่ยมักจะซ้ําเติมตัวเองบ่อยๆนะซ้ําเติมตัวเองในการคิดถึงคิดถึงตัวเองในแง่ลบว่าฉันไม่มีความสามารถ นะงานที่ฉันทำมันไม่มีมันไม่มีมันไม่มีคุณค่ามันต่ำต้อยคนที่คิดแบบนี้เนี่ยนะนะกำลังซ้ำเติมตัวเองแทนที่จะเหนื่อยแต่กายก็เหนื่อยใจคนเราซ้ำเติมตัวงบ่อยๆนะโดยไม่รู้ตัวเช่นเวลาเจ็บป่วยเนะี่ยแทนที่จะป่วยแต่กายก็ป่วยใจด้วยคือเครียดหงุดหงิดกังวลวิตกกระวนกระวายเวลาเงินหายก็ไม่ได้หายแต่ของไม่ได้เสียแต่ของ ใจก็เสียด้วยพอใจเสียมากๆกินไม่ได้หนอนไม่หลับสุขภาพก็เสียนะพอถึงเวลาทํางานทํางานไม่ได้งานก็เสียบางทีเสียเพื่อนหนึ่งพอไปทะเลาะกันอารมณ์อารมณ์หงุดหงิดอารมณ์บ อ, อ, อ, อจอยเพื่อนมาหยอกมาเยา้าก็แต่ก่อนก็หยอกกลับแต่คราวนี้พออารมณ์ไม่ดีก็ด่าเลยพอด่าก็เลยการเป็นทะเลาะกันทะเลาะกันจนทั่งไม่มองหน้ากันเสียเพื่อนหนึนี่เรียกว่าซ้ําเติมตัวเองนะแทนที่จะเสียแต่เงิ น, นก็เสีย สุขภาพจิตเสียสุขภาพกายเสียงานเสียเพื่อนนะเวลาทำงานก็เหนื่อยแต่ไม่ใช่เหนื่อยแต่กายใจก็เหนื่อยนะเพราะสุว่างานที่เราทำไม่มีคุณค่าคิดแต่จะหางานใหม่อย่างเดียวนะอันนี้นะเราต้องให้เรารู้จักนะวางใจให้เป็นอขอบคุณนะที่เราได้มาทางานนี้นะ ไม่เพียงแต่มีเงินเดือนมีไรายได้นะแต่ยังมีโอกาสที่จะได้ทาบุญได้ช่วยเหลือคนสามารถจะปลูกปั้นเด็กคนหนึ่งหรือว่าเด็กหลายคนให้เป็นคนที่มีคุณค่าต่อสังคมและสามารถที่จะสร้างสรรสิ่งดีงามหรือว่าสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติได้มันโอกาสที่มันอยู่ในมือเรานะรวมทั้งเป็นโอกาสที่เราจะได้ทาตนให้มีคุณค่าด้วย วางใจให้ถูกวางใจใเป็นนะและอันนึงที่ทําให้คนเนี่ยทํางานไม่มีความสุขก็คือใจไม่อยู่กับปัจจุบันใจมันไปคิดถึงแต่งานข้างหน้าบางทีก็นึกว่าเมื่อไหร่จะเสร็จคิดแต่ว่าเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จแค่นี้ก็ทุกข์แล้วนะหรือไม่ก็คิดถึงกําลังทํางานชิ้นนี้ก็ไปคิดถึงงานชิ้นอื่นอีกสี่ห้าชิ้นที่กําลังติดกําลังค้างคาอยู่นะพอคิดนี่ใจก็ห่อเหี่ยวแล้วนะ มันมนก็เดินทางไกลนะถ้าเดินหลายวันแล้วและเรายังไปเดินหลายวันหรือเดินหลายชั่วโมงแล้วมันยังไม่ถึงสักทีก็คิดแต่ว่าเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงเนี้ยอันนี้ก็ท้อแล้วเอาใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะแล้วก็ไม่ต้องคิดไม่ต้องมองใครไม่ต้องเปรียบเทียบไม่ต้องมองคนอื่นมาเปรียบเทียบกับตัวเองมากคนเราทุกเพรเปรียบเทียบเยอะนะทุกพาเปรียบเทียบ บางทีทำงานก็ทุกว่าเขาทำงานน้อยกว่าเราเขากินแรงงานเราอันนี้กาลังซ้ำเติมตัวเองเพราะว่ามันไม่ได้เหนื่อยแต่กายเหนื่อยแต่ใจเหนื่อยกับเหนื่อยที่ใจด้วยเมื่อหลายปีก่อนนมันมีรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งนะชื่อรายการพลเมืองเด็กเขาเด็กเนี่ยอายุ8ขวบถึง13ขวบเนี่ยมามาทำกิจกรรมคล้ายๆ r e a l i ร y s h o ตีโชว มาคราวหนึ่งก็ประมาณ3มคนบางทีก็ให้เด็กขนของอเด็กทำความสะอาดห้องเรียนหรือว่าเอาอาหารไปเลี้ยงมา้าแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเขาให้เด็กอายุประมาณ1 2บ3าเนี่ยสามคนเนี่ยมาทำกิจกรรมร่วมกันกิจกรรมเนี้ยคือว่าขนของขึ้นรถไฟรถไฟมันมีเวลาออกที่แน่นอนนะเพราะฉะนั้นต้องรีบขนปกติว่าบ่ายวันนีนน้สมจิต จ, จงโจห่อขึ้นชกนะ มีการถ่ายทอดสดเด็กสองคนก็เลยแว็บนะแวบบไปดูโทรทัศน์นะที่ร้านกาแฟข้างสถานีก็ปล่อยให้เพื่อนเนี่ยซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยขนของคนเดียวแต่เธอก็ตั้งใจขนนะพิธีกรก็เลยไปสัมภาษณ์ว่าเนี่ยคิดยังไงที่เพื่อนเขาทิ้งงานไปดูสมจิตชก เธอก็ตอบว่าก็เห็นใจเขาเพราะเขาเป็นแฟนสมจิตนานๆจะได้ดูสมจิตขึ้นชกไอ้หนูไม่สนใจมวยนะหนูก็ทํางานหนูไปพิจีการก็ยังรู้สึกว่ายัางยังตอบไม่จูใจเลยพูดแย่เลยถามแย่ถามว่าแล้วหนูไม่โกรธไม่คิดจะด่าว่าเขาเหรอที่เขาทิ้งไง ห, หนูทําคนเดียวเธอตอบดีเธอตอบว่าหนูขนของคุณนรถไฟหนูก็เหนื่อยอย่างเดียวถ้าหนูไปโกรธไปด่าว่าเขาด้วยหนูก็เหนื่อยสองอย่างนะ ถ้าเป็นลรานี่เราจะเหนื่อยกี่อย่างนะนะสหรือสใช่ไหมเหนื่อยกายและเหนื่อยใจแต่คนฉลาดเนี่ยนะเขาจะถ้าจะเหนื่อยก็เหนื่อยอย่างเดียวคือเหนื่อยกายนะเขาไม่ปล่อยใจให้เหนื่อยด้วยใจยมันเหนื่อยเพราะอะไรเหนื่อยเพราะบน่นโวยวายตีพอยตีพายโอดครวนคิดอยู่แต่ว่าเขาเอาเปรียบเราเขาเอาเปรียบเราเขากินแรงเราเขาได้งานน้อยกว่าเรานะคนที่คิดแบบนี้ทุกทั้งนั้นแหละ มันไม่ชุกเฉพาะเวลาทำงานเลยนะแม้กระทั่งเวลากินด้วยนะหลายคนเนี่ยนะเวลากินอาหารเนี่ยสั่งอาหารมาเราก็สั่งเพื่อนก็สั่งแต่พอเห็นอาหารเห็นอาหารจานของเพื่อนเนี่ยมาถึงเราสิดว่าอิจฉาเโอ้โหเพราะอาหารเขาคงอร่อยกว่าอาหารของเราจานเขาหน้ากินกว่าจานของเราแค่นี้ก็ทุกข์ละทั้งที่จานของเราก็อร่อยนะแต่ว่าเปรียบเทียบจานของเขากับจานของเรา ก็เลรู้สึกว่าของเรามันไม่อร่อยของอะไรร่อยกินแล้วก็ยังทุกข์นะเพราะว่าไปเปรียบเทียบซื้อของเนี่เหมือนกันนะมีคนหนึ่งไปกับเพื่อนไปนา้าบาร์ซาเดี๋ยวนี้มันคงเปลี่ยนไปแล้วนะเชียงใหม่เนะี่ยกลายเป็นตลาดคนเดินไปแล้วก็เห็นก็เห็นย่ามนะย่ามชาวเขาเนี่ยราคาห้าร้อยเขาก็ต่อเหลือสามร้อยเขาก็ดีใจนะ ไปถึงโรงแรมก็กลาจะอวดเพื่อนบอกว่าเพื่อนนี่ก็ไปซื้อย่ามอย่างเดียวกันเลยราคาห้าร้อยเหมือนกันแต่เขาต่อได้เหลือ200อนะที่แรกดีใจใช่ไหมโอ้ฉันต่อได้สามร้อยนะพอรู้ว่าเพื่อนเขาต่อได้200อยนี่เป็นไงที่เคยยิ้มในหบเลยเนะเพราะอะไรเปรียบเทียบเปรียบเทียบแล้วมีความสุขไหมไม่มีความสุขนะอันนี้เราหมอไม่เป็น เพราะว่าถ้ามองเป็นก็เออของต้องห้าร้อยเราซื้อมาสามร้อยถูกไปสองร้อนะของใหม่ด้วยของดีด้วยนะถ้ามองเป็นมันไม่ทุกหรอกเพื่อนเขาจะซื้อ200ร้อยก็เป็น อ, อ่าเป็นเรื่องเขาถือว่าเขาโชคดีไปอนุโมทนาด้วยมุติตามีมุติตาจิตกับเขาแต่มองไม่เป็นเนี่ยพอไม่เป็นก็เลยทุกนะแม้แต่จะได้ของดีก็ยังทุกเพราะเปรียบเทียบเนะี่ย เดียวนี้คนเป็นอย่างนี้กันทั้งนั้นนะไม่ว่าจะสวยเท่าไหร่เนี่ยก็ยังรู้สึกทุกข์เพราะรู้สึกว่ายังสวยไม่พอเพราะไปเปรียบเทียบคนอื่นมีเท่าไหร่ก็ยังรู้สึกมีไม่พอเพราะรู้สึกว่าคนอื่นก็มีมากกว่าเราเป็นอย่างนี้บ้างหรือเปล่านะอันนี้เรามองไม่เป็นนะเห็นแต่ทุกข์นะเพราะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะทำงานหรือว่าเราใช้ชีวิตเนี่ยนะ รู้จักมองให้เป็นซะรู้จักกลับมาดูใจของเราว่าเราที่เราทุกเนี่ยเป็นเพราะเรามองจิตผิดพลาดหรือเปล่านะเราดูถูกงานแทนที่จะเห็นแทนที่จะให้ความสำคัญหรือคุณค่ากับงานตอน ท, ที่เราดูถูกงานนะเราก็จะสึกด้อยค่าขึ้นมาทันทีนะแทนที่ถ้าเราเปรียบเทียบกับคนอนื่นอยู่เสมอเราก็จะเราก็จะทุกนะอยู่เสมอถ้าเรามองเห็นแต่สิ่งที่เราไม่มี เราได้เท่าไหร่เรามีเท่าไหร่เราก็ไม่พอเราก็ไม่มีความสุขอาลาตมาก็พูดพอสมควรแล้วนะก็อยากจะเปิดโอกาสให้สักถามบ้างนะใครมีแล้วก็เชิญสักถามได้เลย